เราเคยกินข้าวขาวมาจนติดแล้วก็หอมอร่อยกับข้าวขาวอยู่ดีเนี่ยแรกๆเนี่ยมาให้กินข้าวกล่องโหมันทั้งไม่อร่อยมันทั้งสาคอทั้งฝืดนะไม่อยากกินหรอกถ้าให้บังคับให้กินหรือฝืนให้กินก็คิดถึงข้าวขาวคิดถึงข้าวขาวอยากจะกินข้าวขาวอยู่ด้านเนีะยแตถ้าภูมิมันไม่ถึงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ จนกระทั่งเนี่ยพอเราฝึกฝนแล้วเราค่อยๆปรับจิตปรับใจมาจนเราเนี่ยรู้สัจจะรู้คุณค่ารู้ประโยชน์ใช่ไหมว่าเออข้าวกล้องนี่ดีกว่ายัางไงบ้างมันถึงจะค่อยๆปรับปรับจิตในการที่จะกินในการที่จะพอใจเนี่ยค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งถ้าคนนั้นเนี่ยจิตปรับได้ดีละสนิทละคนนั้นจะพอใจเลยในการกินข้าวกล้องเขาเนี้จะมาให้ข้าวขาวกินไม่อยากกินหรอก ยกเว้นสัญญาเก่าขึ้นนั้นเองถ้าใครไม่มีสัญญาเก่าขึ้นอะไรมาลบกวนมาเรียกว่ามากระเ ง, ง้ยวกระเง้ยวแล้วแล้วก็โอ้ไม่กลับไปกินข้าวขาวอีกหรอกแตนะ่จริงๆอย่าว่าแต่ไม่กลับไปกินโดยธรรมดานี่เลยต่อให้เขาเอามายัวย่วยวนเอามากวนจมูกเราเนะี่ยยังไม่กินเลยเหมือนก็เหมือนกับถ้าใครเลิกเนื้อสัตว์มาได้แล้ว ไม่คิดกลับไปกินอีกหรอจริงๆถ้าคุณเลิกมาได้จริงๆเนี่ยตอนให้คุณเคยเอาเลตอร่อยจากเนื้อสัตว์มาก็ตามยังไงนะอ๋อถ้าไม่มีข้าวก้องเออไม่มีข้าวกล้องคุณจะไปกินอะไรมันก็ต้องกินมันมีขาวมายังไงก็ต้องกินเอออันนี้เราพูดว่าถ้ามันมีให้เราเลือกนะเราก็ต้องกินในสิ่งที่ดีกว่านี่คนที่รู้สัจธรรมเนี่ยนะจะไม่โง่ที่จะเลือกในสิ่งที่มัน มันแย่กว่าหรือมันต่ํากว่าไม่มีหรอกถ้าคนที่รู้ในสิ่งที่ดีเนี่ยก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีแน่นอนถูกไหมละ่ะนอกจากว่าคุณไม่รู้ในสิ่งที่ดีกว่าดังนะหากเราคุณถึงไปเลือกในสิ่งที่แย่กว่าและอนนีอัตมาถึงบอกมันตามภูมิจริงๆนะเราเราก็จะได้รู้ภูมิจิตของเราด้วยเพราะมันมันก็ต้องรู้จากชีวิตจริงๆของเราเนี่ยแหละกินอย่างกินอยู่หลับนอนเป็นยังไง มันรู้จักของจริงที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆงเพราะถ้าคนที่รู้จริงแล้วเนี่ยมันก็ความจริงมันก็เป็นไปตามของจริงที่มีอยู่แต่ถ้าใครไม่จริงบางทีบางคนทําโก้นะทําโก้ทําเก๋โอ้เขากินเข้ากล้องกันเรากินเนะี่ยเขากินอะไรบ้างอะ่ะดังๆมาเรากินกินตามอะ่ะไอ้อย่างนี้มันมันยังไม่ใช่ของจริงก็บอกแล้วไอ้นี่มันทําตามแฟชั่นทําตามอะไรไป เผลอไม่ได้เนี่ยพวกเนี้ยเผลอไม่ได้เผลอเมื่ อ, อไหร่นะบางทีไม่อยู่ในหมู่กลุ่มหรือว่าหรือว่าต่อให้อยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยแหละแต่เผลอเนี่ยบางครั้งมันเอาเลยเพราะมันจะไม่มีสติมันจะเพราะว่าโดยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการรูด้ด้วยด้วยญาณด้วยความรู้ของตัวเองเมื่อไม่รู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ตัวเองมีจริงๆมันเป็นการทําไปตามคนอื่นเขาเท่านั้นเอง พราะพอบางทีบางครั้งเนี่ยมันจะขาดสติมันจะไม่มีสติเพราะฉะนั้นบางทีมันแคกินไปโดยลืมลืมก็กินเข้าไปกินไปแบบที่เรียกว่ามันมันเคยติดอยู่ไงแล้วมันก็ไม่ได้ล้างหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในพบของจิตที่เรียกว่าเออย่างนี้เราไม่คิดจะกินแล้วมไม่อยู่ในอันนี้เพราะฉะนนั้มันไม่มีเหมือนกับสัญญาณที่จะคอยเตือนในใจเรามันไม่มีสัญญาณอจริง เพาะคนที่ฝึกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับมีกลิ่งหรือว่ามีสัญญาณอยู่ในใจของแต่ละคนถ้าเนื้อสัตว์เนี่ยคุณชัดใช่ไหมเว้ยไม่คิดจะกินอีกแล้วนะบางทีจะเผลอรู้ใจะอะไรไปเนี่ยมันโอ้โหพอรู้ตัวขึ้นมานี่คุณทันทีเลยอ่ะไม่กินเลยละหยุดทันทีเลยบางทีเผลอมีเหมืออกัี้สมัยที่มาเป็นคราวาสอยู่เคยฝึกเลิกเนื้อสัตว์แล้วก็กินบางสวิรัตเนี่ย แต่กินรวมกับคนอื่นเขาด้วยไงเคาอื่นเขากินเนื้อสัตว์อยู่เคยเผลอเหมือนกันกินก็กินไปก็คุยกันไปอ่ะกินไปคุยไปตักไปตักมาเขาก็ตักเราก็ตักตักไปตักมามันคุยกันเ พ, นเพนลินๆเนี่ะเราก็ตักมั่งอะลืมไปลืมไปตักขึ้นมาถึงมาจ่อถึงปากแล้วจนได้กินเอา้าถึงจะได้สติถึงจะนึกได้แม้แต่มันตายแล้วสิจะเอาไป กลับคืนใส่ใส่ไอ้ชามกลางได้ยังไงมันก็น่าเกลียดมันก็ก็ต้องหาทางเอาไปทิ้งที่อื่นเนี่ยที่ไม่ให้คนอื่นเขาดูแล้วน่าเกลียดอ่ะอืมแดีก็ยังไวยังทันอยู่ไม่ถึงกับว่ากินลงไปนะแต่ว่าเนี่ยบางทีมันก็เผลอได้มันก็ลืมแต่บอกแล้วว่ามันจะมีเหมือนสัญญาณอยู่ในใจเราเลย ถ้าใครฝึกมาฝึกมาเนี่ยมันทันทีเลยอัตโนมัติเลยพอคุณปับ๊บไอสวิตช์นี้มันเหมือนกับไอไ อ, อะไรนงะไอเครื่องป้องกันไฟชอนะ็อเตเนี่ย safety เนี่ยมันตัดช็อะทันทีเลยนะมันจะป้องกันให้คุณเลยแต่ถ้าใครไม่ฝึกมาไม่มีมันจะไม่มีสภาวะพวกนี้นะอัะตนตอนนี้ปรากฏว่าโคผู้พี่นี่ก็พยายามบอกให้น้องฟังนะ แล้วก็ให้ยินดีว่าเนี่ยเนี่ยแม้จะกินแกบก็ให้ดีใจเธอเพราะลักษณะแห่งความอันนี้ยลักษณะการยินดีพอใจแล้วก็รู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วก็กินไปอย่างนเนี้ยเนี่ยเป็นความเป็นผู้มีอายุยืนอายุยืนก็คือว่ากินอย่างเงี้ยไม่ตายตไอ้กินดีอย่างนั้นน่าจะตายเพราะน่นในโลกสังคมเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่ากินดีๆเนี่ยเน จะตายไวนะบางทีกินอาหารขยะบางทีโอ้โหกินไออะไรนะทั้งใส่ปรุงผมชูรสทั้งสารเคมีทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์นะ้าสารปนเปื้อนอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วตายไวนะเพราะคนรวยๆนี่แหละตายไวอานะยุไม่ค่อยยืนหรอกนะแต่คนจนๆ น, นี่ จนนี่มันจะแหมจนจนไม่มีอะไระกินนะคนจนจนแบบธรรมดาเนี่ยอู้กับจะจริงๆแล้วกับจะสมบูรณ์แข็งแรงดีกว่าแต่จนในที่นี้ต้องหมายถึงจนแบบที่รู้สัจจะนะเพราะงั้นกับจะแข็งแรงดีกว่ากันเยอะเลยแล้วก็จะเป็นผู้ที่อายุยืนรวมไปทั้งเมื่อเราจนเนี่ยแสดงว่าเราเราจะได้จากคนอื่นเนี่ยน้อยรวมไปทั้งการเอารัดเอาเปรียบ รวมไปทั้งการที่เราเนี่ยจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาก็จะน้อยลงนะแต่งานการอะไรเราก็ทําของเราไปเป็นปกติพรา ะ, ะยิ่งรวยเนี่ยถ้าเขาไม่มีสัมมาทิฏฐิ โ, โห้เขายิ่งเบียดเบียนหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกวิบากกรรมก็ต้องเยอะที่ไปทําวิบากอันู้นวิบากอันนี่ะเบียดเบียนนันนั่นเบียดเบียนอันี่ยิ่งบางทีบางคนโอ้โหร่ํารวยเป็นเจ้าของแบบโรงฆ่าสัตว์ ใหญ่โตโมโหลานนั่นอาจจะสะสมบิบากบาปไปขนาดไหนอ่ะแต่เนี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้สึกจะดุ้งจะเทือนอะไรเลยนะเขาก็มีความสุขมีความสุขบนกองทุกข์ของคนอื่นแล้วในขนาดเดียวกันไอ้ทุกข์อันเนี้ก็จะตามเขาไปเรื่อยจะตามเขาไปเรื่อยหมดบุญเมื่อไหร่หรือว่าบาปหล่นทับเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวรู้สึก ตอนบาปยังไม่หล่นทับก็ยังไม่รู้สึกเดี๋ยวบาปหล่นทับเมื่อไหร่นะคราวนี้นะลุกไม่ขึ้นแล้วแบนแน่เสร็จแล้วตอนนี้แล้วไม่นานนักหมูมูนิกะก็โดนลากตัวไปฆ่าทำเป็นแกงอ่อมเลี้ยงแขกตามนั้นจริงๆโคจูระโลหิตะเห็นประจักษ์เช่นนั้นแล้ว จึงกล่าวกับโคพี่ชายว่าจริงอย่างพี่ว่าเราได้กินแต่หญ้าแห้งและแกลบนี่สิเป็นอาหารอันอุดมไม่มีโทษภัยแก่พวกเราและเป็นลักษณะของความมีอายุยืนดีกว่าอาหารรสอร่อยของหมูมุนิกะตั้งร้อยเท่าพันเท่าทีเดียวคือบางคนเนี่ยนะคือเห็นแล้วบางทีมันนึกไม่ออกกิเลมันก็เกิด ต่อเมื่อบางทีเนี่ยมีผู้รู้มาแนะมาบอกอะไรบางทีก็ไม่คลายใจอ่นะแต่ว่าก็เอาฟังไปก่อนฟังไว้ก่อนต่อเมื่อบางทีพอมาเห็นผลตามจริงเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วคราวนี้แหละถึงจะเออถึงจะเชื่อหรือถึงจะเกิดศรัทธาถึงจะเกิดความความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทําดีมาได้ซึ่งไม่ง่ายนะ เนคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาทําดีทําไมมีจํานวนน้อยที่คนทําดีมีจํานวนน้อยไม่ใช่ว่าคนไม่อยากจะทําดีคนหลายคนอยากจะมาทําดีแต่พอมาทํำข้อหน่อยไปไงโอ้โหเจอไอ้นุ่นยั่วยุเจอไอ้นีน่กระทบกระทั่งนะรู้สึกพอมองไปแล้วก็รู้สึกไอ้คนทําไม่ดีมันสบายกว่ากันเยอะไอ้คนทําดีมันลําบากอย่างไง เอาล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเหมือนกับมองเห็นหมูบูติกะแล้วไอ้หมูบูดิกะนี่มันอ้วนทวนดีมันสบายอย่างเลยอยากจะเป็นอย่างนั้นแหะชักอยากจะเป็นอย่างนั้นพอกิเลสมันขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราเริ่มเริ่มเกิดความคิดอย่างนั้นนะมันเริ่มแล้วถ้าจับไม่ทันนันมันบอกมันปรุงไปเรื่อยอ่ะเออคราวนี้ก็ชักจะอยากอย่างเขาก็ค่อยๆหาทางแล้วที่จะเป็นอย่างเขาเขาสบายยังไง so อย like product, อา่างเช่น โอ้โห oh, เขาก็มีรถเขาก็มีแอร์เขามีตู้เย็นเขามีทีวีเขามีบ้านเอาละเราเริ่มแล้วปรุงไปเรื่อยละปรุงไปเรื่อยละอยากจะเป็นหมูอ้วนแล้วตอนเนี้ซึ่งอันนี้นี่ไม่ง่ายนะอาจาถึงทุกบอกคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละคนส่วนน้อยเท่านั้นน่ะเนี่ยที่มานั่งทําหน้าเซื่องเซื่องใส่เสื้อ <laughs> ใส่เสื้อโมโทมหน่อยอะไรอย่างเงี้ย น้อยน้อยมากๆยิ่งยิ่งจะฐานจากครวาสเนี่ยขึ้นมานักบวชยิ่งยากยิ่งน้อยไม่ง่ายเลยเนี่ยยิ่งยิ่งจะเหมือนกับขึ้นไปบนเขาสูงเนี่ยมันยิ่งลําบากขึ้นไม่ง่ายหรอกนะอ่าเสียต่นี้โคน้องชายนี่เริ่มรู้ตัวแล้วนะเห็นจริงแล้วพระศาสดาตัดชาดกนี้จบแล้วทรงกล่าวว่า บุนิกะสุกรในครั้งนั้นก็คือภิกษุผู้กสัญจะศึกนี้เองเด็กหญิงในตระกูลกุดุมพีนั้นก็คือเด็กหญิงอ้วนคนนั้นนั่นเองโคจุลโลหิตก็คือพระอนนท์ในบัดนี้ส่วนโคมหาโลหิตะก็คือเราตถาคตนี่แหละดูก่อนภิกษุแม้ในการก่อนเธอก็ถูกนางเด็กมันหมายถึงผู้กับภิกษุ ที่อยากจะศึกกันนะดูก่อนภิกษุแม้ในการก่อนเธอก็ถูกนางเด็กอ้วนคนนี้เป็นเหตุให้ต้องตายไปกลายเป็นอาหารแกงอ่อมให้แก่ผู้คนกัดกินมาแล้วอย่างนี้เองการตัดเช่นนี้แล้วก็ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายให้ภิกษุนั้นเกิดปัญญาเห็นธรรมในเวลาจบสัจจะนั้นเองภิกษุผู้กวนกวายอยากศึกนั้นก็ได้ดํารงอยู่ใน โซดาปฏิผลแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไร อ, ะอาจจะเป็นบุรุษชนหรืออาจจะเป็นกระยาณชนก็ได้ใช่ไหมเพราะว่านี่นพอฟังอันนี้จบแล้วถึงมาเป็นโซดาปฏิผลหรือก็ไม่แน่อาจจะเป็นโสดาเบื้องต้นเบื้องต้นอยู่ก็ได้ใช่ไหมพอยิ่งเจอเหตุการณ์นี้เกิดจิตคิดอยากจะสึก เสร็จแล้วพุทธเจ้าถ้ามาอบรมสั่งสอนเนี่ยเออก็เกิดไวพ้พริบเกิดปฏิภาณเกิดการเาเข้าใจในสัจจะขึ้นมาก็เลยทําให้หนปรับเปลี่ยนได้ในที่นี้บอกมาแล้วว่าภิกษุรูปนี้ตามชาดกที่พุทธเจ้าเล่านี่คืออะไรคือใครเออคือหมูตัวนั้นภิกษุรูปนี้คือหมูตัวนั้นถึงบอกว่าเนี่ยเธอ เธอตายมาแล้วนะครั้งหนึ่งไอ้ข่าวชาตินึงแล้วนะกับเด็กหญิงอ้วนคนเนี้ทําให้เธอตายมาครั้งเลยจริงจริงเด็กหญิงอ้วนนั้นไม่เกี่ยว น, นะไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยอะก็เขาจะแต่งงานเนะี่ยอแต่ว่าต้นเหตุเพราะจะแต่งงานเนี่ยเขาบีจัดเลี้ยงฉลองใช่ไหมก็เลยต้องมาตายเพราะงานเลี้ยงอันนี้ถ้าเด็กหญิงอ้วนคนนี้เลี้ยงแบบเจก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม อันนี้เลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเจ้าหมูตัวนี้ก็เลยแย่เพราะฉะนั้นอันนี้จะให้เห็นเลยนะอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหภิกษุรูปนี้มันจะต้องอีกกี่ชาตินนเนี่ยกว่าจะมาถึงยศผู้เจ้าเนี่ยมาสอนมาบอกอีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมในเรื่องนี้ผู้ที่บวชเป็นลูกศิษย์ผู้ง่ายของผู้พระเจ้านนในในพุทธการนั้นน่ะ ไม่ได้หมายความว่าโอ้ดิบดีอะไรไปกันหมดใช่ไหมเป็นปุจุชนเป็นกัญญานชนอะไรก็มีบางทีเราฟังโอ้โหรูนั้นเป็นอรหันต์เป็นโสดาเป็นอะไรอาตมายังบ้าไม่รู้ว่าพวกปุจุชนกัญญาชนจะมาขวาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยนะอืมเพราะว่าผู้ที่จะได้บัคผลจะอะไรขึ้นมาจริงเนี่ยมันต้องยากกว่าแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ยบางทีเราเองเราอย่าไปคิดแบบอะไรอ่ะบางทีเนี่ยชอบเหมาอ่ะเหมา ว, มาว่าอ๋อถ้าบวชแล้วก็นะเราก็ถือว่าแนะ่ต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันหมดอาจามาเคยคิดอย่างนั้นมาแล้วจริงๆตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่สันติอโศกเนี่ยเคยนึกว่าพระอโศกสมัยนั้นนะสมัยนั้นเรียกพระอโศกรู้สึกจริงๆว่าพระอาโศกรูปเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คงเหยียบเยียบอาราหาันทั้งนั้นแหละจริงจริงนึกอย่างนั้นจริงๆโอ้โหยกไว้สุดเลยยกไปสุดเลยเพราเวลาท่านเทศท่านพูดท่านสอนเรารู้สึกแหมท่านคงหมดกิเลสแล้วอ่ะจริงจริงท่านก็พูดเจ้าเจ้าเจ้ า, จาท่านพูดเก่งกันด้วยทีท่านก็สอนมาเราก็โอ้โหไว้เจียบกว่าทำมือไนอก็ถูกดีนะเชื่อจริงๆแต่ก่อนเชื่อจริงๆริงพอตอนหลังมาอยู่แล้วมาเจอ ลีลาของแต่ละรูปก็ถึงเนี่เอเฮเฮยังไงหวาเนี่ยถึงได้โอ้โหแต่หลังถึงบางทีมันมันมันไม่คิดมาก่อนเนี่ยใหม่ใมนี่รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะใหม่ใหม่รู้สึกมันเหมือนผิดหวังอะ่ะมันเหมือนก้นอกหั ก, กอกพังเหมือนกันนะมันผิดหวังราะบางทีเราก็เลยชักคราวนี้แล้วก็เลยชักชักจะไม่ยกให้เหมือนกันนะบางทีชัก มันทําไม่เข้าท่าเลยนะนั่นชักจะโกรธชักจะเอาเรื่องเมืนนะ่อกี้นะคราวนี้พอใจไม่ยกให้มันมันจะเริ่มละมันจะเริ่มเอาเรื่องเอาราวจนเนี่ยโอ้โหอาตมา ถ, ถึงบอกโอ้โหเราจะรู้สัจจารู้ความเป็นจริงมันไม่ง่ายเลยแต่ก่อนนี้อ่านดาําราอ่านอะไรมามันจริงนะั้นในตำราก็มีบอกทั้งพระดีทั้งพระไม่ดีนะแม้สมัยพุทธกาลก็มีบอกหมดแหละเออแต่ จริงๆเ่ยในชีวิตเราจริงๆบางทีเราก็นึกอยู่แต่มุมดีว่าอายิงพระท่านรู้สึกท่านเค่งคัดทางอะไรดีเราก็คิดแต่มุมดีลูกเดียวเลยอันนี้เป็นเป็ น, ปนความมองโลกที่เรามองโตรงหรือว่าบางทีเรามองมุมเดียว ท, ทั้งที่สัจจากามเป็นจริงเนี่ยมันต้องรู้จักมองทั้งสองมุมไม่ง่ายนะอาตมาบอกพวกคุณอย่างเงี้ยแหละแต่อาตมาก็ไม่รู้ว่าพวกคุณนี่จะเข้าใจขนาดไหน ขนาดบางคนเนี่ยไปเจอของจริงมาแล้วอะ่ะเจอเหตุการณ์จริงมาแล้วโกรธก็โกรธแล้วไม่ชอบใจก็ไม่ชอบแล้วไม่ต้องอื่นเนี่แหละสัมมาณะอโศกเนีแ่แหละแล้วบางคนนี่ยังคาไว้อยู่เลยนะจริงนะเวลามากราบมาอะไรนะแต่จริงๆเนี่ยในใจนี่ไม่ไม่ได้ศรัทธามีอยู่จริงๆด้วย คุณคิดดูสิคุณดูคุณคิดดูตามสภาพความเป็นจริงสิถ้าแย่จริงๆเนี่ยไม่เข้าขายไม่เข้าอะไรบ้างเลยเนี่ยปดโถจะเป็นสมณะอโศกได้ยังไงอ่ะคุณถ้าไม่มีมรรคผลไม่มีอะไรบ้างเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน่าโดนดีดกระดอนกระเด็นไปไหนต่อไหนหมดแล้วถ้าไม่ไม่เข้าคันอะไรบ้างเลยเนี่ยแม่เล็กแม้น้อยไม่มีเลย ถ้าคุณก็คุณคิดอย่างนี้ได้คุณก็จะโอ้โหคุณก็จะลดไอตัวถือสาจะลดอะไรต่ออะไรลงไปบ้างนะจริงบางทีอาจจะรู้สึกโงแเ้งไม่เข้าสเปคเราเลยนะทั้งลีลาทั้งอาการทั้งสุ่มเสียงนะเราอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจเราเลยแต่คุณอย่าไปโกรธเกียจคุณอย่าไปไม่ชอบใจหรือคุณอย่าไปเสื่อมศรัทธา อั น, นั้นคุณสวยเองนะแล้วแสดงให้เห็นว่าคุณแยกไม่ออกอีกแล้วคุณเริ่มแยกไม่ออกอีกแล้วถ้าท่านไม่ได้ไปทําผิดศีลธรรมไปทําผิดบินัยอะไรแล้วเอา้าคุณต้องยอมรับว่าท่านยังอยู่บวชได้เนี่ยแค่เป็นบวชเป็นสมณะอโศกได้คุณยืนนึกว่าง่ายคนที่มีกิเลสอยู่แล้ววางไม่ได้เนี่ยนะหมายถึงว่ามาบวชเป็นสมณะคุณไปไม่รอดหรอกเพราะว่า กฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆนี่มันร้อยล้านเป็นครอบครูไปหมดอะ <c oughs> คุณไปไม่รอดเลยทนอยู่ไม่ได้ในที่สุดต้องศึกต้องออกไปแต่ยังทนอยู่ไว้ยังแม่กระป่องกระแพงบางอะไรบ้างเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆอยู่เหมือนกันคุณไปดูสิแบบบางรูปเนี่ยโอ้เห็นกระป่องกระแพงกระป่องกระแพงสึกไปปับ๊บโอ้โหสบายเลยนะ ศึกไปนี่นะสบายเลยโอ้โหเป็นฆราวาสเป็นอะไรอยู่นี่สบายมากพอเป็นฆราวาสนะบางทีเอคุณคุยด้วยคุณอะไรด้วยนะคุณไปเจอเข้าหรือยิ่งทํางานด้วยกันบางทีคุณยังจะเห็นเลยว่าเออเราก็ยังเทียบไม่ได้เลยนะบางทีอา้าวบางทีเรายังเทียบไม่ได้เลยนะก็คราวนี้ต่อให้เป็นฆราวาส ด, ด้วยกันเนี่ยแต่พออยู่ในรูปแบบเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าบางทีในความคิดเราเนี่ย เราหลงสูงเนี่ยเราหลงไปยกท่านว่าท่านควรจะต้องสูงอย่างนั้นสูงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในความจริงบอกแล้วแม้พุทธการบางทีเอา้าที่บวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์พระเจ้าด้วยเอา้าก็มีนี่ปุถนะุชนก็มีกัลยาณชนก็มีอ่ะแล้วทำไมอะ่ะบวชกับสมณะโศดงยศแหมก็มพ่องกระแพงมันไม่มี เ, เลยจริงจริงมันก็ต้องมีนะโดยสัจฉะของมันนะ มันก็มีแต่คุณจะไม่ยอมไงคุณจะเอาตามที่ว่ามันไม่ควรจะเป็อย่างนี้สิอันนี้นะจริงๆคุณมองตามกิเลสคุณคุณไม่ได้มองตามสัจจ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยโ อ, โอ้คุณจะวางไปได้อีกระดับหนึ่งเลยนะแล้วคราวนี้ศรัทธาคุณก็ศรัทธาสิอะไรที่ท่านทำเหมาะควรแล้วก็ท่านจะกรททำดีแล้วเราก็ศรัทธา เราจะไม่ไปเอาอย่างอื่นที่บางทีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างบ้างจะมาตีทิ้งกูจะไม่นะศรัทธาที่มีอยู่มันก็ยังเหมือนเดิมนะอันเนี้ยฝากไว้ถ้าใครรู้ใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมองอะไรแบบคนที่มีตาทิฟฟังอะไรก็ฟังแบบหูทิฟจะกินอะไรก็กินแบบปากทิฟจะพูดอะไรก็เออมันจะได้แยกแยะเป็นหน่อย นะก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นนะแล้วก็ไม่ไม่ไปก่อวิบากกรรมอะไรที่จะมาตามเล่นงานเราภายหลังนะคุณระวังนะเพ่งโทษเพ่งโทษอะไรอริยะเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นพระด้วยแล้วคุณระวังนะโทษกี่ประการสิบเอ็ดประการนะบอกให้รู้ไว้ไม่ใช่ขูนะ <c oughs> มันจริงๆตามมันจริงๆรงิถ้าคุณไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วคุณโดนแน่คุณเจอแน่ แล้วคำว่าพระอริยไม่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบขอ ง, ข อ, ง อ, นนะอีวรนะบางทีเป็นคารวะา ด, ด้วยกันเนี่ยโดยปกติคุณก็เห็นจริงๆว่าโวเขาก็ทําได้ดีกว่าเราดูแล้วภูมิเขาก็จะสูงกว่าเราเนี่ยถ้าเปรียบเป็นความเป็นมรรคผลเป็นอริยแล้วข้นเหนือกับเราคุณไปโกหกเยียงคุณไปเพ่งโทษนั่นแหละคุณก็จะเจอเหมือนกั น, นกระโทษสิบเอ็ดประการเหมือนกันนั่นอย่าเผิน นะระวังนะบางทีไม่ได้บุญเพิ่มแต่ก็อย่าได้บาปเพิ่มเลยอ้าววันนี้คงพอท่านี้